ฟังทำกันฟังทำก็คือฟังเรื่องของเราเนี่แหละเรื่องคนเราก็คือมีกายมีใจกายใจนี่เป็นที่เกิดของปัญหากายใจนี่เป็นที่ดับของปัญหา เรามีกายมีใจเรามีกายมีวาจามีใจเพื่อเป็นเครื่องมือเอาไว้ใช่กายใช่วาจาใช่จิตให้มันสําเร็จประโยชน์โดยการฝึกผลตนเองถ้าเราไม่ฝึกไม่ใช่ไม่เป็น เราจึงมีการฝึกหัดให้สติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจเป็นเจ้าของวาจากายวาจาใจเป็นคังของสติสติหยิบมาใช้จะให้มานจะให้อันตราย เปิดมานมาใช่กายใช่วาจาใช่ใจของเรามันทำให้เจ็บเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือนร้อ น, อนถ้าใช่ถูกต้องแล้วมันได้เสได้พึ่งได้ตามความดีได้พึ่งตัวเดงไม่พอคนอื่นก็เป็นที่พึ่งได้ ตัวเองก็เป็นที่เพิ่งได้ถ้าเราใช่เป็นถ้าเราใช้ไม่เป็นคนหนึ่งก็เดือดร้อนจริงก็เดือดร้อนเราเชื่องบึนนัดกันจะเป็นเหมือนกันขัญหาเกิดจากการจากใจให้มันที่จิตลงสาตั้งแต่หนุม่มหนุม่มน้อยนตอยดึกแต่ดกแต่หนุม่ม ศึกษาตแต่นุมๆตื่นในลูกขึ้นมาอย่าหลับอย่าหลงกับปลายกับวาจากับใจเราก็ต้องฝึกหัดนีสติจำจญจญนี่ก็ล่วงมาแล้ววันเืลนล่วงไปล่วงไปแต่เราไม่นับมันดก แต่มันก็เป็นการเวลาตามธรรมชาติแต่ว่าคนเราก็ไปบัญญัติเอาเพาทำไมเราหลงไปก็มีบัญญตัติทั้งหลายสมมติทั้งหลายหลงสมมติบัญญัติเดือนเก้าดับ ยิงก็ไม่ได้ไปไหนว่าเวลาเหมือนเดิมในการมีโลกวันหมุนก็คืนเมืองวันไปตามธรรมชาติเดิน5ทานเดินสามเดนสี่เดินหาเดินหกเดินเจ็ดเดนแปดเดนเก้าสิบเอ็ดสิบสองไปกำหนดลงไปไปวันหยัดลงไปวันหยัดจะเป็นปี สืส้อชิลขันดอกว่าลงมาเียงมาเมีมาแม่พวกรองกายเจ้าคนสวนสดไม่หยัดลงไปวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันรทาาร์วันคาร์พุทธปฏัตศุกร์เสาร์มาหยัดลงไปันโจมวันฟูวันหยัดลงไป มันหยัลงไปเป็นพูดคำหนึ่งสองแก้วขึ้นสู่องคำสองทำสองคำผีฟังทมป่าชา้าสามคำลางมือท่าค่อยกินสี่คำมานไปตีนตักแดดท้าคำผีแวดล่อมปองอหกคำลงสะโพกไปข่าป้าพี่อะมันหยัญญิเอาลงไปได้ขึ้นบ้านใหม่คำหนึ่งขึ้นสู่เรือน โงคำขึ้นบ้านใหม่เป็นคำเป็นเงินเมื่อขึ้นไปแล้วก็มีพรามขึ้นไปมีข้อนตะปูมาย่ำใบหนึ่งตะพรามขึ้นไปก็ เ, เต็มน้ำ เ, เต็มเต้าเข้าเต็มกองเอาขึ้นก่อนแม้ทั้งผูกบ้านก็พุวยอ้อยซ อ, อยปี มัติดต้นเสาเอกเสาโทตาความขึ้นบ้านแล้วก็อเอาจะปูขึ้นไอ้ตอกเาสาเสาเอกถ้าเป็นสาราโลกโก็น่นรือเสาเอกทางทิศเหนือเสาโททางทิศใต้ตกลงเฉียงๆกันตาความก็บอกว่าตรงนี้ถูกไหมจับตะปู ยังไม่ถูกอะไรเขาพูดเลมีคำมีเงินมีทองมีข้ามีของเอาตรงนี้ถูกไว้ยังสามหนึ่งสองาสองคําพอถูกที่ตัวเราองเงินกองทองเออนั่นแหละดีแล้วแล้วเอาตรง น, นั้นไปตีทะพเข้าไป <laughs> แล้วก็ย่มห้อยไว้อ๋อ เท่ของบ้านจนเท่าของจปกปลาขึ้นบ้านเอ้ยมั่งมีสีสุกแล้วก็มานอนว่าโดยขึ้นหงคําบ้านมีมั่งมีสีสุกไม่ทําหาจีนอะไรแล้ว <c> ก <oughs> ็ไม่มีเลยครับเ <c oughs> ชื่อสมมุติบัญรดาเจ้าจะปลกมันถ้าปกวันอาทิตอาทิตย์หัวจันต้นนักขันใบผัดด อ, อกพุดธมาก ปรกพิศหัวาปูกมันตะพหลังโปรกมันแจวจันต้นปูกอ้อยปรกปอมันต้นยาวอังคารใบก็ปปูกหม่อนเลี่ยงไหมพุทก็โปูกฝไฟพุทดอกพระหัสผลก็ปปูกมะม่วงละใบว่าไปเรื่องจี่ปูกวันเผือก ถ้าฝนตกวันอาทิตย์เนี่ยปว่าถึงวันประหัดเหรอจึงจะปลูกข้ม่วงได้ปลูกอะไรได้มันก็แห้งก่อนแล้วมาเคร่งไม่ได้ปลูกเลยข้าวมัวงจถือเลยไอ้นนสมมติปัญญาตนะมันกำหนดชีวิตจิตใจของเราถ้าเราไม่รู้นะในโลกนี้เต็มไปด้วยสมมติปัญญาตล้นโลกไปเลยเราก็โล่อะไรกันได้ ความจริงนั้นเป็นปณมาตัติสัจจะชีวิตชีวิตของเรามันอยู่ที่การกระทำของเราแต่วันนี้เป็นวันไม่ดีเราทําดีแต่วันนี้เป็นวันดีเราทําไม่ดีแม้ก็อยู่ที่การกระทําของเราเมื่ออาผมก็พูดว่าอัดเสบินขีมากขาวเราจะใช้มือของเราไนะ เราจะไม่ใช่ไปผาดผ่านไปเก็บไปฆ่าไปรปักขโมยปีนิษฐ์เป็ดทำเราจะใช่ทําความดีอาศัยมือของเราทําความดีให้มันพึ่งความดีที่เกิดจากเบอือได้อาศัยวาจาของเราที่พูดดีให้มันเกิดความนีม้เกิดจากวาจาพึ่งได้อาศัยความดีที่เกิดจากใจเราก็พึ่งบาใาศัยใจได้เพราะเราผุกหัด ใช่เป็นแล้วสาเร็จประโยชน์แล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมมาเห็นของจริงของพระรีเจ้าเราเห็นกายเราเห็นใจของเราโอ้ยกายปวดใจลื้อถอนสมมติบัญญัติออกสศกทุกขสมมุติว่าสศกสมมุติว่าทุกไปสมมุติเราบัญญัติลงไปเกียดทุกชอบสศก ตอนทั้งที่ยังไม่มีก็เกียดแล้วทั้งทั้งยังไม่มีก็ชอบแล้วอยู่กับความชอบอยู่ควาไม่ชอบชีวิตของหนอาไม่เป็นปัจจุตังไม่เป็นปัจจุบันที่เราจะต้องนีรมิษฐ์ขึ้นมาความผิดความถูกมันอยู่ที่การกระทําของเราเหมือนหลวงพ่อเทียนตอบอาจารย์กรรมฐานเกลือเช่มไหมเกลือไม่เช็ม เขาเกลอยู่ในกระทอบมันไม่อยู่ในลีน่นพิกเผ็ดไหมพิกก็ไม่เผ็ดมันอยู่ในต้นมันมันไม่อยู่ในลีน่นสตงเมื่อดมันเห็นลีน่นเห็นไปสัมผัสกับเผ็ดกับเข็เมมันเจรุ่วเผ็ดอันเผ็ดมันก็ไม่ใช่รสมันไม่ใช่เผ็ดจริงๆนั่นเป็นสมมติ ญ, ญัติ แล้วก็ไม่เป็นไปกรรมันต่อถึงความสุญความทุกข์ก็ไม่ได้สูญได้ทุกข์ไปกรรมันคนตั้งหลายเขาว่าความทุกข์เราไม่ต้องทุกข์ก็ได้หลวงพ่อพูดอยู่เสมอหลายครั้งแล้วสนุกป่วยสนุกเก็บสนุกปวดท้องแล้วก็ไม่มีควาว่าทุกข์เลยมันเป็นความลู่ในธรรม ลูกของเก่งเทียมพระทื่เกิดขึ้ น, นกับปากจากใจเราลองเปลี่ยนดูชีโลกเนี่ยมันจิงใจเหนือโลกนะถ้าเราไม่เปลี่ยนก็อยู่ใจโลกโลกก็ทับถมเราเราก็อยู่แบกโลกถ้าอยู่เหนือโลก้าหน่อยงองดูมาดูโลกอันมันวิกจตการณ ตกแต่งเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งหลงคนทุกวันนี้หลงบริโภคอะไรมากมายหลงไปหลงไปกับโลกรถของโลกแย่งกันเราจะมาดูเรามาจะมาเห็นตัวเรา มาศึกษามาปฏิบัติมาเจริญสติจนเห็นรูปทำเห็นนามมาทำจะไม่จะไม่เห็นเพราะเราดูอยู่ตายมันก็เคลื่อ น, นก็ไหวอยู่นี้ความรู้คือความรู้จึกตัวมันรู้อะไได้รูปนี่มันมีนามมันรู้อะไรได้มันเป็นธาตุรูปมันเป็นธาตุแห่งการรู้ถ้าตุยีราว่าธาตุสีปัติภีธาตุคือธาตุดิน อาโปธาต์คือธาตุน้ําเกจิาตคือธาตุไฟวาโยธาต์คือธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างในร่างกายอินยานธาตุคือความรู้ะไรได้อเมธาต์ตั้งหกนะม่ใช่สี่แล้วคนไม่ตายอเมธาต์ตั้งหกอากาศธาตุช่องว่างหายใจเข้าหายใจออก ลมพัดขึ้นเมงบนลมพัดลมมองต่ำลงในท้องลมนองไส้ล ม, ใใลมพัดไปตามตัวลมหายใหญ่เข้าออกพัดไปก็พยายามเผาอาหารให้ย่อยไปยังทำร่างกายสุดสมไ้ยังทำร่างกายให้ อ, อุ่น ต่เด่นขน้าอมผ่อนและฟันหนังเงือกระดูกเยื่อในกระดูกมากม้อยใจตับปังเกิดไซส์ใหญ่ไซส์น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในกระเพาะเป็นธาตุดินธาตุน้ําก็ดีสเลตหนองเลือดเนื้อไม่ค้นมันค้นเตียวมันไขมันไอซ้ำหล่อเรื่องในลำข้อกระดูกก็เป็นธาตุน้ํา ถ้ของที่เช่นแสงก็เรียกว่าธาตุดินธาตุดินนั่นเปียบก็เหมือนเหมือนแม่ธาตุน้ำก็ธาตุดินนั่นเปรียบเหมือนเหมือนพ่อธาตุน้ำธาตุเปียบเหมือนแม่เอาแปเอาธาตุเน่ยสมมติว่าเป็นมากจะ เ, เรียก ว, ก, กว่าคุณคุณพ่อมากกว่าคุณแม่ เอาของได้เช่นแข็งมาสมมติกันบัญญัติกั น, ญญกนที่เยิงมันไม่ใช่คุณเรียนไปอยู่ที่การกระทำแต่พระพุทธเจ้าสรรเสริญคนของแม่จากเราสวดไม่ใช่อุธิศนคาถามันดามาก่อนพุทธเจ้าแสดงที่ไหนมันดามาก่อน มาตาปิตาญยาติกะยะมังจุนิโยจันทิมาราชามาตามาตาคือแม่ปีตาคือพ่อแม่มาก่อนแม่มาก่อนก็สมมติก่อว่าคนพ่อมากพ่อก็เป็นพ่อเป็ดไม่ฟักไข่ไม่เลี้ยงดูไปทิ้งไปคนที่เลี้ยงดูคือแม่ไก่ฟักไข่ ใครก็ตามไม่มีโลกไปเต้าก็ถือว่าพ่อถือว่าแม่ได้พ่อคือผู้ที่ผู้ที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมในทุกชีวิตแม่ก็เกิดที่ให้ความเป็นธรรมในทุกชีวิตเลี้ยงคนทั้งโลกเลี้ยงคน ท, งทำให้งอกให้งามขึ้นมา น่านี่ก็เป็นสมมติที่เรามาสมมุติกันศาสนธรรมศาสนาติธีศาสนบุคคลศานะสานาศาสนธรรมมันเดียวกันมีสติมีสามัญจ้มีบาปมีบุญเหมือนกันศาสานาบุคคล ม, มีรูปแบบต่างๆศาสานบุคคลยึดพวกเราเป็นฝ่ายเถรวาด เราุ่งผมแบบนี้ปลนผม๗๕วันหรือเดือนหนึ่งสองเดือนให้ไม่ยาวถึงแค่สองข้อมือใช่ได้ถ้ายาวเกินสองข้อมือก็ไม่ได้แต่พวกเราไม่ชอบยาวเอาชั้นชั้เนี่ย๗๕วันคนเดียหนึ่งแล้วชนะบุคคลนุ่งแบบนี้ห่มแบบนี้อนี้เป็นผ้าปิ่นจั่วนี่เป็นแม่ชี เรียกแม่คีเนี่ยขโมยแบบบางทีเขาเรียกคีคีหลวงพ่อมันด้วนกัินไปคนนี้เรียกว่าแม่แม่ขี่หลวงพ่อมาเรียกว่าคีธรรมดาเรียกแม่คีแต่เสียใจมาคีน้อยนะโอ๋อยังไม่เป็นแม่เลยยังดมอยู่หลวงพ่อมาเรียกแม่คีอ่าไม่ใช่เรามาเรียกแบบเราเรียกคนนธรรมมีน้ำใจหาเรียกแม่ขี่ ถ้าเป็นพระของป่ายมหายานเขาไม่นุ่งแบบนี้ตัวนุ่งแบบปางแกงขายาวเสื้อแขนยาวสวมรองเท้าลาจรรวัดก็ไม่ต้องสอดรองเท้ายืนสวมรองเท้ายืนสวดพิจเน ก, น, นก็เหมือนกันพระชมก็เหมือนกันแต่มากพิจเนจะอยู่ข้างหน้าตีกองตบเติมเติม เขาชงก็อยู่ตีไปตีไปีไปีขีตีเขาะไปด้วยเวลาเขาตรวดบางบ่ก็เดินรอบประทักศินพระพุทธรูปเกินยิม e ah, ีโตปัวมีโตปัวมีโตปัวมีโตปัวอามีโต มันก็แบบว่าได้สวรรค์ได้มิพานเวลาจวดมนได้อยู่กับพระอมิตตพูดเขาจรวดมนที่ใดเขาจะได้สวรรค์นิพานทุกครั้งไปเอายัางไม่ขาดธรรมวัดจรวดมนพิจูสองแม่พิจูนีฝ่ายมหายาณอาวัตกระดือโล้นว่าว่าก็ไปทําวัดกดับเขาก็อยู่วัมววดมหาญาณใน แต่ละประยูรมหายาณในไต้หวันก็อยู่มหายาณ ใ, ในไอโนนิเียก็อยู่มหายานในฟิลิปปินส์แวเาทีครั้นเจ้าวาน่ะ ต, ตรงเป๊ะตรงที่ก็ทีสามครึ่งเสียงเดินไปตับตับตับตับตับตั บ, ต บ, ตบไบบานไป เอาไปนั่งก็จะมีระฆังใหญ่เอาเชือกูกลูกระังใหญ่ก็ไปนั่งกมาดึงเชือไปงอ า, า, งอาตอามตอมตมตมตามตาตาังคหมดก็บวลงวลงเฮงอมิตมตมิตมิต อออเออิอีเข้าดีอีตะพวอนตพอ้ตะโพวนะเพ่อไปนั่งดูเา่าธรรมาเขาเขาก็มีนความจกที่ชีวิตว่านั่นศาสนาโลกคนต่างกันสาธพิธีก็ต่างกันสาสนาทำใ น, นเดียวกัน เรือเรามีสติอันเดียวกันไม่เป็นคนละแบบ <c oughs> อาโกชลความโกรธก็เหมือนกันใครโกรธก็คือเหมือนกันผู้ชนใครดีมีฉินก็เหมือนกันาศาชนาธรรมให้ให้คุณให้โทษเท่ากันถ้าโกรก็ทุกข์เหมือนกันถ้าไม่โกรก ก, ก็อยู่สบายมีเมตตากรุณาพึ่ง้าใจได้ ใจของเราเนะ่ะอย่าประชิดอาฆาตไฟวาสพึ่งไม่ได้มันแห้งแล้งมันลงโทษตัวเองจึงมาสร้างคนานธรรมให้มันล่วงพ้นภาวะเข่าไป <c oughs> ให้ล่วงพ้นภาวะเข่าไปเราเห็นของจริงของพระอริเจ้า ของจริงไม่ใช่เป็นเรื่องสมมุติเช่นความโกรธจริงแบบไม่จริงความ่โกรธก็จริงแบบจริงความทุกข์ก็จริงแบบไม่จริงความไม่ทุกข์ก็จริงแบบจริงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนก็จริงแบบไม่จริงแยกออกอย่าไปหลงรอเสียเวลาจับจริงเหล่านั้น มันผ่านให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาการทำความเปลี่ยนการบารลบความเพียนนี้เร่องสิ่งเหล่านี้แหละมาผ่านหน้าผ่านตาให้เราเห็นเห็นทางอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเกิดขึ้นก็รู้เอามันพอใจมันไม่พอใจ มันยินดีมันยินได้มันชอบมันไม่ชอบเดียวว่าอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาอย่าไปหลงความชอบควาไม่ชอบเป็นสมมุติบัญญตัติไม่ใช่ปรมาจักรสิ่งที่เราชอบเราก็บัญญัติเอาสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็บัญญัติเอาเป็นวัตถุก็มีเป็นนามธรรมก็มี ควาชอบควาไม่ชอบนั้นที่เราไปหลงไปสยบจู่า <c oughs> <c oughs> สมมติบัญจัดเนี่ยทำให้เราคล่องแหวเสียเวลามากหลุดไปซาเลือไปซาถอนไปซาอ้างเห็นของจริง <c oughs> ของจริงคือ ทุกอย่างก็เปของจริงอยู่ในตัวมันเองธรรมะ ไ, ไม่มีใครรู้มีใครไม่รู้ก็อยู่อย่างนั้นไม่มีใครจะมาเหนือเหนือธรรมะธรรมชาติกฎธรรมชาติหน้าที่ของธรรมชาติเพราะว่าเป็นอย่างนั้น มันเราเวลานี่นั่งอยู่เนี่ยมีเสียงกิ่ดีดร้องก็เป็นธรรมชาติทําไม่มียิ่งดีเพราะที่นี่ไม่มียาสารเคมีไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ปุ๋ยปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยเคมีมันก็ไม่เบียดเบียนสัตว์มดมาแลงเหงื่งห้อยก็ยังมีที่อื่นก็ไม่มีแล้วยิ่งดี นงห้อยก็มีน้ำก็เน่ า, นาแต่ที่เราพยายามช่วยตัวเองน้ำจากป่าที่มาจากไร่าจากนาช า, บาวบ้านเราไม่ให้เข้ามาใันสะปล่อยมันไหลผ่านไปเราเอาเฉพาะน้ำในวัดเราชึมลงไปที่นี่แล้วก็ได้น้ำเกือบจะเป็นน้ำบริสุทธิ์ได้ อาจารย์พุทธะว่าเป็นพระบ้านเห็นว่ามีผาลามาต้องเป็นคกเป็นศาบกันเด็มที่หนอนสังคมมีมาทุกถาปีมาเห็นทีอย่าปอบปัดขจัดมันเป็นพระป่าเนี่แหละเป็นผ้าเตือนเป็นพระเตือนมีหมู่ม่ายเป็นเพื่อนทุกกระแส มดมแรลงแสดงทำอยู่จำเจมดมแรลงมนแสดงทำจิ่งดีพันล่องใครรอแท้ไม่มีเบื่อแล้วกล่าวเลยเพราะเราอยู่ป่ากันการอยู่ป่าเนี่ยก็เอามดฝึกตัวเองอยู่คนเดียวมันเปลี่ยวไม่มีโทรทัศน์ไม่มีทีุ ไม่มีแม่กระทั่งตัวจับบงังตีบางโรคบางองค์ตัดขาดอยู่ในโลกแห่งความเป็นหนึ่งเอตตะคะเป็นหนึ่งเป็นส่วนตัวแม้เราจะฝึกได้ฝึกไปได้ฝึกได้ก็เป็นส่วนตัวตลอดเวลาชีวิตเรา อย่าแบ่งให้ความสุขความทุกข์อย่าแบ่งให้ความชอบความไม่ชอบให้เป็นชีวิตส่วนตัวอย่าเป็นตัวแบ่งมากมายแบ่งให้ความรักแบ่งให้ความชังแบ่งให้ความมีความีินลต้องละเนินช้าเสียเวลาไม่ใช่ชีวิตเรา ยื้อเราต้องบริสุธิ์มีสติมีสัมสัญญาเอาเป็นหลักผู้ดใดมีสติก็นั่นเหมือนมีบ้านพ่ออยู่กับพ่อ้าสติเมื่อไรก็พัดถิ่นไปเราอย่าจนเรื่องนี้ ก้า เ, าเคยอยู่วันพ่อเวลาเราไปตังเงินน่ะมันก็จะคนละเรื่องกันเราก็เรามั่ระวังลองหลงทําให้เราเก่งได้ไม่ใช่อ่อนแรงลองหลงทําให้เราเก่งกล้าขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นมาได้ขอบคุณมันถ้ามันหลงจะได้รู้มัน อะไรก็ตางเธอนนะเ้ามาเป็นการฝึกตนเด่นบทเรียนจากกรรมฐานนี้พิธีฝึกแยกๆไปเลยเป็นตกะศิลาการเรียนรู้ไม่ครับเยกกระนองสี่เหลี่ยมแล้วก็ปล่อยิืดรรมลารรมดาไม่มีใครที่มาขี้ให้เรา บอกเราเราเห็นแดงเราแย่แดงกี่แด ง, งถูกแกงถ้าผิดคนหนึ่งบอกถ้าถูกคนหนึ่งบอกไม่เป็นคนจริงงมื่อชาวไร่ก่อนเป็นเด็ก <c oughs> ไปดูนระกไปดูสวรรค์อามีดอกไม้พูดหนังเขียนพูดหนึ่งให้ใส่มือให้อาจารย์ก็นั่งผมน้ํามันอยู่ข้างๆ เราก็วริกรรมว่านัมมะพัตะนัมมะพัตะนัมมะพัตะนัมมะพัทตะวายกรรมหลับตาบริกรรมนัมมะพัตะนัมมะพัตะนโมพุทธายะอาจารย์ก็บอกว่ามองไปนะมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าเห็นจังกตสีขาวๆเห็นจังกตสีขาวเห็นด้วยยังเห็นด้วยยังเอ้ยสังเกตสีขาวๆไอ้แวะข้างซ้ายนะแวะข้างซ้ายนะจะไปทางขวานะ ถ้าไปข้างขวาอยาไปนรกถ้าไปสวรรค์ไปข้างซ้ายเมื่ <c oughs> อไปข้างซ้ายไปข้างซ้ายแวะไปข้างซ้ายเออไปเห็นสวรรค์เห็นท่อเห็นง่ายอยู่บงสวรรค์กลับมาโอ้ยดีใจเอาทางอีกไปดูอีกให้แวะข้างขวานะเห็นสังกษีขาวๆตามทางไปตามทา ง, ทางไป มีต่อแต้สังชีขาวๆแวะข้างขัวมือแวะไปแวะไปอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวดูดูดูพอดีอาจารย์เขาบอกอาจารย์ก็บอกอาาก็หลอหลอมเข้าไปให้ให้นิมิตเข้าไปยื่นเข้าไปเขาคิดไปบางคนก็ร้องไห้ออกมากลัวกลัวนะรบกวนรบกวนเห็นแล้วเห็นแล้วน่ากลัว น, น่ากลัว แต่หลวงพ่อทำตลอยก็ไมเห็นสวันเจตี่เห็นนะเากิเขาเยเขาเห็นกันพ่อไมเห็นเจตีเลยเอย๊มันตัไหนกัน น, นั่นนี่ยนิมิตเนี่ยมันทำได้นะบอกให้เป็นไงก็ได้ปไปนิมิตที่มันเกิดกับเรานะีน่ะนิมิตมีสองอย่างสามอย่างนิมิตต่งตางๆามิต่างหู นิมิต ท, ทางจะหมูกดิ้นกายใจมีเยอะแยะๆตัวจะไปหลงนิมิตไปเรื่อของจริงเห็นในโลกเห็นสวรรค์อยู่นู่นเห็นใครนี่ของจริงเห็นจิตใจที่มันคิดนี่เห็นของจริงการเคลื่อนไหวเที่ยวมือเคลื่อนไหวเป็นนิมิตคือของจริงเอามาสร้างความรู้สึกได้จับมันมาใช้ได้อันนี้เห็นเหมือนกันแต่ถ้าไปเห็นสีเห็นแสงนั้น อันนั้นเห็นต่างกันไม่ใช่ของจริงอย่าไปเอามาอวดกันอย่ามาพูดกันอย่ามาโตกมาเถียงกันธรรมะที่เป็นเกิดจากจินตยานธรรมะที่เกิดจากภาวนา ปัญญาเกิดจากภาวนาปัญญาที่เกิดจากกินตะยานกินตะมายาปัญญาเนี่ยปัญญามันแน่วแน่กวกันเป็นปัญญาเหมือนกันกินตะยานไปคิดแตกฉานได้ปัญเรียนมากมากแตกฉันได้แต่เราภาวนาเนี่ยภาวนามยาปัญญาเนี่ยเกิดจากภาวนาแตกฉานได้อันนี้เห็นเห็นแล้วไม่ลืมเห็นรูปเห็นน้ำไม่ลืม เห็นกุศลก็ไม่ลืมไม่อกุศลก็ไม่ลืมอกุศลก็รัได้ทุกทีกุศลก็ทันได้ทุกทีเพอาะมันเป็นของเก่งอนุอนุกละอัปุศลอนุกทำกุศลให้เกิดขึ้นเฮ้ยเป็นการศึกษาที่สมมูลแบบมีคำตอบมีโจทย์มีคำตอบตล อ, อดเวลากับการปฏิบัติธรรม ป้าจะเราขอมีสติเป็นเมืองต้นมีสติเป็นเมืองต้นแล้วพวกนี้หลวงพ่อก็ไปตอนแชีนเป็นวันหลวงพ่อเทียนวันที่สิบสามวันหลวพ่อเทียนคือวันมรรคาภพหลวงพ่อเทียนวันที่สิบสามกัญญาอ้าอะไรกัญญาเนาะ อันนี้มันปัญญาแล้วเลยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเดือนเก้าหมดแล้วเนาะปัญญาเปนเดือนเป็นวันหลวงพ่อเทียนแยกพวกเราก็ตั้งชื่อว่าวันจีจารียาอาจารย์มันไปซ้ำกับเขาพอทักท่วงพวกเราเา้าเมาเมาคําพูดของเราไปใช่ไหมวันจิเลียบูชาจาเลียาบูชาเขาตั้งมาก่อนแล้วเราไปตั้งชื่อ เขาก็เลยไปิดช่วงเลยเลียนเป็นวันหลองพ่อเทียนมนรคาบก็พวกเราเป็นทุกสิทยกหาไปรวมปฏิบัติธรรมกันทุกปีเป็นปีที่เจ้าหลายแล้วปียี่สิบแล้วนะหลวงพ่อเทียนมรรคาบไปน่พวกเราก็ยังไปแสดงรู้จั ก, จกลวงเทียนในฐานะแบบใด ยังเรียกว่าหลงพ่อเทียนใครรู้หลงพ่อเทียนยังไงรู้หลงพ่อเทียนในสานะเป็นตวัดไม่ใช่ร nah, ู iad, students, ้หลงพ่อเทียนในสถานที่เรามาสัมผัสกับลองรู้สึกตัวมาสัมผัสกับลูกของนามเนี่ยมันเห็นหลงพ่อเทียนตอนที่เรามาล่วงพ้นเพราะว่าเก่าๆได้โอ้หลงพ่อเทียนอยู่นี่หลงพ่อเทียนอยู่นี่หลงพ่อเทียนอยู่นี่เราก็รู้หลงพ่อเทียนรู้หลงพ่อเทียนหลงหลง ให้แช่รูกประวัติทั้งท่านเราจึงไปร่วมกันก็มีพระรุ่นเก่าก็มีลงพ่อนอนก็ฟระรุ่นหลังๆมาก็าไปเพื่อผู้หลายบ้างเ น, น้อยไปก็จะไปตอนหลังไปเตโมโงกขอให้อาจารย์้อยเทพได้ลงไปเตมโมกก่อน อ่าประมาณบ่ายโมงเนาะฮ่า <c oughs> ลงค้างมันมันจะไม่ชันนะบ่ายโมงลงไปตะม่วงผมก็อยากร่วมไปตะม่วงเป็นสมุขีแม่นเอาไม่ขีไปนั่งข้างนอกได้ก็ได้ก็ดีนะก็นั่งข้างนอกนะฟังตะม่โมกันเอาเราเอาสีมาตั้งแต่ขวาโบดให้แม่ขีนั่งอยู่ชันข้างนอก กำหนดแล้วเช่นน อ, อาทิ้งสีมาสมุดสีมายิงไม่ใช่สมุดสีมาเป็นถูกต้องตามวินัยเรียกว่าอุทุ ก, กบเขบอุทุกเขบสีมาเอาน้ำเป็นเขบบุรุษผู้มีกำลังนั่งดองยองอยหว่างน้ำนั่งยองวิ มือเดียวไม่ถึงบิดหน้ามือเดียวไม่ถึงก็เชื่อได้าำได้แล้วก็มีสะพานข้ามไปทอดสะพานก็อย่าไปเกยตัวตัวสีหมาหลวพ่าทาไมสะพานไม่เกยนะอย่าไปเขาว่าสะพานมันเกยกับชันนะเอาแว่นไว้อยู่วันกน็รอดจวนนะอยู่งวด ฮ่ามดมันไปได้แต่ว่ามันไต่กสายต่ันตนมันมีบ้านเลยอุทกเขสกาา็สีมาอุทกแปลว่าน้ำีมาแปลว่าสิมแต่เมื่อก่อนเ็เรียกว่าโบดถ์เเรียกว่าสิมอานนี้โบสถนี่ ม, นมาประมาณเท่าไหร่สองพันห้าร้อย 2, เนี่าะจะไม่อยากรสง ถ้าเกิดขึ้นคนก็สร้างโบสถ์แข่งกันกันตอนเรียกว่าสิมสิมสิ ม, มในน้ามนะันถ้าเราถ้าจะผมก็ว่าจะเอามาตัดเอาพระเจ้ามาตัดเขาบอกว่าไม่เอาไมามันไม่เหมือนโบสถ์เขาอยากแค่ไปสร้างเสียเงินเสียทองเป็นล้านเป็นสองล้านสิบล้านนะแต่นี่มันใกล้ได้ตามทำไมไห้ก็เร่องนี้คงสร้างกัน โบดแข่งขันกันใหญ่เจ้เงินเจอาทองกอ็จะพาวันไปใช่จะบางทีไม่ใช่เลยบางวัดไม่ลงโบสวนเลยใจพวกเราใช้แค่นี้ว่าจะบวดได้ถ้าตามทำยังไนแต่ว่ามีพระเจรกิกระท่วงมาก็าจะก็วบวดที่นะเพราะว่าทําฌานเอาไว้แล้วเวลาทักอ่าทายสอบถาม พุทธังเออไว้ป็นกีฏุรหรื อ, อยังเนี่ยน้ตถีเป็นเด็กไม่เป็นครับทันโทเป็นีการไหมนัตถีเป็นเดไม่เป็นครับยิลาโสเปนโลกติดต่อไว้โลคเกิดไหมเป้นโคพุทธะเอิดไหมนัตถีเป็นเด็กไม่เป็นครับโศโสเป็นคนรายหรือ จะโจรผู้ร่าอเนี่ยนเทมปไม่ใช่เอาประมาณ้ดติคุกมาหรือเนี่ยประมาทมาแล้วหรอออกจากคุกมาล่ะนัเทมไม่ใช่มนุษย์โซซิเป็นมดุหรือยังละะ่ะหรือว่าเป็นสารเดสารอยู่อาวมกันเตะกั้แล่วเอาเอาน้าใจนะกลัวบาปแต่ปหาทางออกคือ นี่ครับมาออกปวดมือโซ่ชี้เป็นโนดหอย่างเป็นแล้วอามาพันเตยเปลี่ยนทั้งตีพันเตยเป็นมามาพันเตเขาถามอย่ยืนอยู่ข้างนอกนั่นอย่าเข้ามาอยวเข้ามานะตอบถามกันนาชีหลายเช่าป่าโตอัญญาเตศมาแต่ปิวหินีราชราาาการมาหรือย่างนาชีหลายเช่าป่าโต หนีตำรวจหนีทหารมาปวดอยู่ที่กลานี้ข้าจากกาาังหวัดมวดลา ม, มา <g ill ings> มีอย่งซือมาถึงน้องขอด ล, <g ill ings> ลา ม, มามาใช่รักมาปวดลา ม, มานาชีหลายฉบับตัวอามาไม่ไ ด, ได้ไม่ได้ลาไม่ได้มีมาอามานเตอานีาเ่เใสิมาตาพี่พ่อแม่เี่ยเลี้ยงอ่ะอามาปนเตอันนี่ยแล้ว วันนี้เวียนสติวัโซสิอายุ20ปีหรืยังเนี่ยอาโมพันธุ์เด็กครบแล้วสามแปดถ้าครบามวงันแล้วเอชาเขาเรียกเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวไม่เป็นหรไรเข้ามาได้อโอชาเรียกเข้ามาหาผมเอาหมอนซักทายต่อหน้าโอชาหน้าหลักสาราที่ต้องว่าจำใบเป็นเขต อยากบวชแต่เขาไม่ยอมก็เลยต้องสร้างโบสถ์ใหม่ที่ท่ามกลางเขาสร้างโบสถ์ใหม่ก็ดีดทำดีดทำอายคนนะอายอายนะอายคนมากเลยสร้างโบสถ์เขาเออหลวงพ่อคำเขียนเอออาจารย์คำสารสร้างโบสถ์แล้วสร้างบโบสถ์แล้วเพื่ออะไรเพื่อเพื่อความสะดวกแก่คณบุญลูกบาสที่จะปวชนะ อยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดบวชที่นี่พระองก็ไม่ใช่อะไรน้บวชผู้บำเพ็ญบวชพรานันเจนไม่สร้างแล้วปลูกตอนไม่ออมไหวไม่คนเห็นวัดนี้ไม่บวชไม่บวชชอว่าไปใช่ตอนใม่ขึ้นเต็มเลยไม่มีเห็คนไม่เห็นไม่เหมือน วัดบางัดก็ตัดตัวม่ออกเพื่อให้คนมองเห็ น, หวนบวชเจบ้าไปแล้วก็เที่ยมอเตอร์รไซม่อออันอายอยู่สร้างบวแต่ว่าเนี่ยสร้างจะพานแน่ไม่อายนะคิดอยากสร้างอยู่เลยวันนี้ไปขี่รถไปเนี่ยวิชาภาไ ป, ไปอ้อมไปดูภูราเทศที่ทายินของชาวบา้านเลยถ้าสร้างจะพานข้ามมาเนี่ยกิโลเดียวกโมโดเดียวนี้เขาใช้ทางไป ก็มากินเก็ขก็วมอถ้าเราทําสถานนี้ข้าวมอเดี๋ยวจะเป็นแต่งอาหารอย่างดีคิดคิดคนเดียวคิดอยู่แต่ก่อนนี่วัดนี้ก็ดีวัดสามหาันก็ดีวันท่าไฟวานอุปถัม์หลว ง, นะงพ่ออยู่เนาะหลวงพ่อก็ดูแลถ้าพระมาจํำใจที่นี่ไม่มีกรถินหลวงพ่อก็จัดกระถินมาทอด ผู้หลงไม่เมะถิน่นหงพอจัดกระถนไปทอดไม่ขาดแต่กรปิไมขาดแตวนี่หลวงพ่อมาอยู่นี่ห้าปีแล้วกเลยปีนี้เมฆถิ่นว่าจะชวนหมูไปทอดกริ่นอ๋อ อ, อไม่เมื่อก่อนถูกาเราไม่ก่อนนะฆ้าเราไม่กนะ่อน เ, เลยไม่ต้องชื่อบาดก็ไม่จ้งชื่อผ้าอาถรรพ์ริขานเราชื่อใคทอดก็ดีนะเาเอานูน ก็ถ no okay. <laughs> ึงสามวันทีเราปลายเดือนพิกายน์มันขึ้นจีบห้าขั้เดือนพิกายน์วันจัดท้ายเลยอ่าคิดอะไรนะจบแบบนั้นเออเป็นงเราเพราะนั่นเนี่ยสงฆ์เานั้นที่จะดูแลกันจะปล่อยญาติโยมเราเน่ยหรือว่าเป็นสงฆ์เพื่อดูแลกันเพื่ออะไรเพื่อ มีไอ้ไอ้สงฆ์เข้าวันษาถ้าพระวัดจําวัดในไตม่าสามเดือนไม่รับกรถินไอ้สงฆ์ไม่มีไม่มีมีเพียงว่าออกวรรษาแล้วนับจากการเราวนาไปเดือนเดียวก็ชินกระถินชินการกี่วันตั้งแต่วันแรกวันนเดือนสิเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสองชินแล้วไอ้สงฆ์งไม่มีถ้ารับกรินิ่น อัสองจะยืดไปอีก4ี่เดือนตั้งแต่วันดเดือนเกดขึ้นคำหนึ่งแลมแลมข้ามเดือนที่เกดถึงกลางเดือนสี่ไปไหนไม่เอาผ้าไตจีวรไปคบไตก็ได้เพราะการกระถิ่นอนสองกระถิ่นไปถือว่าขื้นเดียวไปได้ไปไหนได้ไปนอนอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้การกระถิ่นไปไม่ได้ต้อง ไม่ น, นีอาณาสงอันนี้ก็ใท่นั่นหละแล้วก็ไปไหนมาไหนได้ไม่ถ้าดวนๆไม่ต้องบอกลาพระภิกษุเก็บไปที่เหล็กกีวันได้<ม>เกินการกระถิ่นเป็นอาณาสงได้มากน้อยเพราะนั<ม>้นนี่ตามทำที่ไหนเป็ น, เ, นเราก็สมข้บกันสองดูแลกัน ยามาปวดด้างว่ะเราดีกว่าเขาเขาเร็วกว่าเราคระวัดนั่นมาต่กฐินท่าพอดูแลกันเขาดูแลกันไปวัดสามวัดนี้ขอพูดเักหน่อยว่าแต่ก่อนนี้ไม่มีอะไรหรอกเวลามันดีขึ้นมาหน่อยอย่างนี้ก็มีช่วงอาจารย์ทรงศิลอาจารย์ต้องอาจารย์โวโเทพอ า, ารย์พวกเราเนี่ยมาอยู่เนี่ยทระแม่ป่าจกโกโตเนี่ย ดีขึ้นมีฐานะดีขึ้นดีกว่าถ้ามาสาหวานแต่ก่อนจนก็แากคนโจรจนกว่าเท่ามาสายหวานขพอ่ออยู่กับอ่าคนห่งนะทั้งก็อพวนี้ปนไปลวยทําะอะไรข้ากงหมดแล้วอะไรก็หมดแล้วเราจะได้กินอะไรพุ่งนี้เออทให้คนห่งอยู่โอ้ไม่มีเราเดือหงงไม่มีแล้วเศ้าเศร้ า, านะน้ตาไหลร่วงนะ ก็ไม่เอียคนหุ่งในไม่ได้เป็นไม่สีทำาหารวขวายทำให้มีเยอะ อ, อ, อยู่ของจริงเออนุ่นองอยู่เนี่นะพ่อจะไปเท่ามาไปให้บอกเท่ามาไปหวานญาติโยมเฮ้ยตุวกตาตอมีอาหารจินแล้วไม่อาไปรีบไปแผ่ข้าวสารเอาพริกเอาาเอาเดือวเอาอะไรบม่จบเออเนี่ยแต่ก่อนเราอาสายเขา าาข้าวออยวานเนี่ยเราพึ่งพาใจก่อนแต น, นี้ทางนของเราพ่ออย่าเดือดนอ ะ, อะที่ยังอยู่เนา ะ, <c oughs> ะใ้กันตนย่างนแล้วพว่อก็ร่ร่มกุขานมาสบายสบายบากคือสองติ่วยสบายมากมีเพื่อนมีเลยเพื่อนดีๆดังนยานไปฉานมาอยู่ยาน จานทรงสิลจานต้มจานร้อเทิดจานยื่อจีแต่ไม่ก่อนเราลำบากนักเยื่อจีนะคำว่าอันนี้ก็พูดเหมือนกับว่าสนุกสนานมันส่งพวกเรามาถึงนี่มาถึงนี่แต่ก่อนนี้ไม่มีกลากรอสิ่งที่เราแน่วแน่นที่สุดคือปฏิบัติธรรมอย่าไปวันนี้มาพูดกัน ไม่ง้อใครอย่าไปกลัวใครอย่าไปกลัวตายเราจะไม่ต้องกลัวตวายหลงพ่อเขาโสตายมาแล้วโศตา ย, ยิาไม่กลัวไม่ง้อโยมด้วยใช่ไหมครับกินอะไรก็จะอะไรทำรังแปลเอ่อเผือกเชียงใหมนะ่ะปู่กินเกืนกินมันลงปูกไม่เกิดเลยเลยเชียง อาจารย์ต้มาปลูกไโดยเนอามาจากแม้คำสอนกินหัวเือกแล้วมาจากเขาตะกุกเอาหัวเปือกมามาปลูกก็ไมเอาเอาอะไรเอาอะไรบุกบุก่เดี๋ยวบุกหัวเท้านี่เขาตะกุกโอ้ยหัวเจานี่แซ่บนะแซ่บไหมบุกแซ่บบกเปลือกที่ว่ากินเปิดกินมันเราไม่กินข้าวมันดักมสอนก็แล้ว บอกกินเลาก็ยังกินเล่าบอกให้สุบบุหี่ก็ยังสูบบุหรีอยู่ทิ้งมันละโยมเน่ยกินเผือกินมั น, น <c oughs> อ่ะอ่ารไปไม่รอดหรอกพเจ้ า, าทาไม่ได้เลยเด็กขาดอะไรบางคิดถึงเต็โยมห่ว ง, งเขาโอ้อยู่ที่นี่ตองบอไปอยู่ที่สะดวกสบ า, ย, ย, าย่าอยู่ได้แต่ว่าอันนี้มันทุกขันยาเราก็อยู่มันพาให้เราได้อยู่แต่ ความทุกข์ความยากความบาปความชั่วของคนถ้าเรารับผิดชอบอยู่นี้ไม่ใช่อยู่เพื่อซ่อนสะดวกสบายอะไรถ้ า, ากันตายกันละจีกับกันเ้งหลวงพ่อไปลุยเลือดนี่เจ็บศพเมื่อคนกดโงเนี่ยครูโรงเรียนเน่เขาฆ่ากูทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกตายแล้วก็อนอ่ในห้องพัก เจีอนเสตเลือดสามคนเน่ยกองกันไม่มีใครเข้าไปล shepherd, er หไป ล, ปลวลหลงพเปิดก็ลุยเลือดเข้าไปให้อลยมอหน้ามาหลวงพ่อเารียอย่างนน้องเยลากศาสต์ปวดดอกปวดดอกปวดประตปวดเลือดปวดเลือดออกพ่อปุจวินนี่มันข้าเลือดก็ปวดดอกก็เคยใส่เลลาออกลาออกลาเลือดออกหมดก็เรียกยอมเข้าไปไปเก็บแล้วก็ ออกมาเผากองไปเดียวกันแล้วก็หลวงพ่อของคู่ก็ไม่กล้าอยู่หลวงพ่อก็ไปนอนบ้านพักขกลงเขาเป็นเดือนไป น, นอนแล้วตอนเย็นก็ไปนอนตอนเช้ามาฉันที่นี่แลอยู่ที่ตอนเย็นก็ไปนอนอยู่เป็นเดือนไปนอนบ้านพักขดโอ๊ยคนเหดียวขวด สวดบูลาคนเดียวเอาผีไปทิ้งก็คนเดียวใ่ไหมพระไอ้เดียวใจดีมันะโอ้สากว่าปี4 0กว่วยจะมาเป็นน้องพ้อเลยก็ไม่ใ <c oughs> ช่มาแบบสบายๆสมรูกร่วมคันมาทีแย่ก็าะตอบคนพวกเราให้ทีบบบบบบทุกคนหน้าจมทุกคน สาสองก็สุขงสบายในตอนนทุกเมื่อนุ่มสบายเมื่อให่ดีเนาะนเนาะถ้าสุขเมื่อนุ่มทุกเมื่่ใหญ่ลำบากถือทุกมาแล้วแต่ก่อนอันนี้สบายอาศัยใเพื่อนทั้งหลายสม้หลายเป็นลบาก็มดเด่ออยู่สบา คนดูเลยเลือดเนื้อลำพอดได้จากพวกเราเนี่ยมาจากองค์วานหม่ใหม่ห้าสิคอคเดี๋ยวนี้60แล้วเพราะอะไรเพราะพวกเราให้เลือดแทนเพราะดูลูกกินได้ ว, วานให้จานให้ชีกิหนหมูกิน เลือดจากลลเรกาเืกเรกาลลพอเป็นชีวตอยู่ตังเก่าไป้ักหน่อยไหคิดว่าพอไปท่เียนได้เนาะวันจะไป <c oughs> วันที่สีก็ออวันนี้ก็อ่านยจีกับพระ